วันนี้ไม่มีคนดีเดี๋ยวนั่งสมาธิกันดีกว่าคิดเกียพูด <c oughs> มีอะไรจะคุยด้วยเปล่าล่ะใครอยากจะคุยคุยเราจะฟังนะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ละทางเ a c e b o o k 149สีสิบเก้าร้อสิบอเก้าห้าสิบแล้วทาง y o u t u สิบแป ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็อยากจะให้เราพักผ่อนอยากให้เราหยุดสักวันหนึ ง, น ง, นงก็มันก็อยู่ที่โยมถ้าโยมไม่มาเราก็หยุดถ <heraus> <decir> ้าโยมมาเราจะหยุดได้ไงมาก็ก็มาตามเราอยู่ดี้ใช่ไหมคนที่ไม่รู้มันก็มาเนะี <S <S> <S ่ยเขียนประกาศอย่างไงมันก็ไม่รู้อะ ม, มันก็จะมา มาก็อย่าไปตามตัวหยุดอย่างนี้แหละ ว, วันไหนคนไม่มากก็นั่งคุยเล่นๆกันไปถ้าสางเขาถ้าเกิดทํางานครับอาจารย์เคยบอกว่าถ้าคุยโทมันจะช่วยเรื่องที่เราเหมารู้เหนื่อยได้ได้บางทีเราไปคิดเหนื่อยเองความเหนื่อยมันจะเกิดจากความคิดของเราเองคิดว่าโออ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นัน่นอย่างนี้ ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เหนื่อยแล้ก็พูดโทพูดโทรไปเหนื่อยกายมันไม่เท่าไหร่ที่เหนื่อยใจมันเหนื่อยจากความคิดความคิดความอยากาเหนื่อยกายมันมันไม่มีปัญหาหรอกเหนื่อยกายมันก็อย่างมากก็ล้มล้มลงนอนมันก็หลับละแต่ถ้าเหนื่อยใจนี่บางทีนอนแล้วยังไม่หลับมันยังคิดอยู่นั่น ถ้าเราหยุดความคิดได้มันจะไม่เหนื่อยทางใจมันจะสบายความเหนื่อยทางกายมันก็นอนเดียวเดียวมันก็หายแล้วนอนสองสามชั่วโมงมันก็สบายแล้วเระนั้นพยายามอย่าไปสร้างความเหนื่อยทางใจด้วยการคิดเบื่อนายถ้าไปเจอของที่ชอบไม่เบื่อโอมันไม่เหนื่อย เล่นไพ่ทั้งคืนเ่นได้ดูอะไรทั้งคืนดูได้พอต้องไปทาอะไรที่มันไม่ชอบเนี่ยว่ามันเบื่อมันเหนื่อยมันยากมันแะ้ัดเศษผลแล้วพลาจาันไม่เหน่อย เ, อเ ท, ทิดทุกันฮะหนูยังคิดอยู่ว่าหนูไปทางานห้าวันยังเหนื่อยแล้วพาจารย์รเทิดทุกัน ก็มันแค่ชั่วโมงเดียวมัเป็นเหนื่อยทไงใช่ห ม, มันไม่ได้เทรดแปดชั่วโมงมแง่ชั่วโมงเดียวมันก็เป็นเหนื่อยยังไงสบายมต้องถามทางบ้านน ะ, ะถามมาเลยเพราะมันรูจะพูดอะไรล้วเนี่ยต้องอาศัยคำถามเป็นตัว ชวนพูดมันเหนื่อยตรงที่มันต้องมาคิดว่าจะพูดอะไ ร, ร <laughs> ะมันเหนื่ต้องเนี่ยต้องใชเหมือนพ่อครัวต้องคิดว่าวันนี้จะทํากับ <laughs> กับข้าวอะไรให้คนให้ลูกๆกินดี <laughs> เดี๋ยวทาซ้ำซากเหมือนกับบ่นเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ถ้ามีเมนูมาง่ายกว่าเใครเอาส่งเมนูเข้ามา <laughs> เมนูก็ซ้ำศา์แผ่เมตตาอยู่เลยนหนูนั่งส่วนมุนเสร็จแล้วหนูแผ่เมตตาจะได้หรือเปล่าถามเลยอยากจะถา ม, ถามเลยคำถา ม, ถามทางเฟ e b o ๊ k จากคุณนันทนาค่ะขอเรียนถามว่าศีลสมาธิปัญญาต่างกับกานศีลภาวนาอย่างไรอขอพระอาจารย์อธิบายอาริยอริยมรรคแปดเจ้าค่ะ คือศีลสมาธิปัญญามันก็คือศีลกับภาวนาภาวนาเนี่ยมสีสองอันสมถะภาวนาก็ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็สอนจิตให้ฉลาดให้เกิดปัญญาฉนั้นคำว่าภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาแต่เวลาสอนคนเนี่ยมันมีสองแบบ สอนนักบุญก็สอนนักบวชนักบวชนี่เขาไม่มีเงินแล้วเขาสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้ว mm hmm. ก็เลยไม่ต้องสอนเรื่องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคือทานเ mm hmm. ก็เลยสอนศีลสมาธิปัญญาก็คือสอนศีลกับภาวนาส่วนนักบุญคือญาติโยมยังมีเงินทองอยู่ก็เลยต้องสอนให้สละเงินทอง จะได้ไปบวชได้เข้าใจไหมถ้าไม่บวชมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้ายังต้องหาเงินต้องใช้เงินอยู่มันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างพวกคุณนี่ยังชยังต้องหาเงินอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรก็ยังต้องใช้เงินอยู่ใช่ไหมถ้าหยุดใช้เงินมันก็ไม่ต้องหาเงินก็ไปบวชได้ดงนั้นก่อนที่จะไปบวชได้ก็ต้องทาทานให้ได้ก่อน าก็ต้องทำจากที่เรากำลังทำอยู่ขณะนีทท้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนแต่ถ้าอยากจะไปบวชก็ต้องทำหมดเลย mm hmm. มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง mm hmm. ก็ยกให้ลูกให้หลานให้แฟนให้ใครไป mm hmm. ก็ไปบวช เวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำให้กับนักบวชท่านก็จะแสดงศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าแสดงให้นักบุญคือคารวะญาติโยมก็ต้องสอนให้ทำบุญก่อนทำบุญรักษาศีลไปก่อนภาวนาก็ทำหอมปากหอมคอก่อนนอนก็นั่งสักหน่อยเต่นขึ้นมาก็นั่งสักหน่อยก็ทำได้เท่านี้สำหรับพวกที่เป็นนักบุญ จนกว่าจะเปลี่ยนจากนักบุญมาเป็นนักบวชพอมาเป็นนักบวชก็ไม่ต้องสอนเรื่องทําบุญล้วไม่ต้องสอนเรื่องทําทานนะเพราะไม่มีเงินจะทํานะพระเนนเขาไม่ไปทําทานอยนใช่นีมเขามีแต่ขอทานกันใช่ไหมเพราะเขาไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะทำอาวุจเจ้าก็เลยไม่ต้องสอนเรื่องทานให้กับพระ เขาก็ทํามาแล้วทานก็ทําแล้วถ้าเป็นนักเรียนก็ผ่านกอไก่ขอไข่มาแล้วก็ไม่ต้องมาสอนกอไก่ขอไข่สอนให้อ่านเลยสอนให้อ่านสอนให้สะกดไปแต่ถ้านักเรียนยังไม่เคยอ่านกอไก่ขอไข่ก็ต้องสอนกอไก่ขอไขก่ก่อนเพราะคนที่ยังสละเงินทองไม่ได้ก็ต้องสอนให้สละเงินทองให้ได้ก่อน ที่ให้ทำทาบุญทาทานนี่ก็เพื่อให้รู้จักให้ให้ให้สละเงินทองพอตายไปก็ต้องสละอยู่ดีเอาไปได้ที่ไหนเงินทองแล้วถ้าสละไม่เป็นสละไม่ได้เวลาตายก็ทุกเสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอแล้วก็ไม่ยอมไปบวชกันถ้าสละเงินทองได้ก็ไปบวชได้ เลยต้องสอนให้สละเงินทองก่อนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่ท่านเป็นนักนักบุญท่านเป็นคารวะท่านก็ทำบุญพอท่านพร้อมจะบวชท่านก็สละบุญไปเลยมีเงินทองเท่าไหร่ก็สละให้คนอื่นไปไม่เอาไปนักบวชนี่ไม่ต้องการเงินทองต้องการเวลาปฏิบัติถ้าเป็นนักบุญก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติ พอจะมัวแต่ต้องไปหาเงินมาใช้มาเที่ยวมากินมาดืม่มแล้วก็ก็จะหาเงินใช้เงินอย่างนี้ไปถ้าอยากจะเป็นนักบวชก็ต้องไม่หาเงินไม่ใช้เงินเงินที่มีอยู่ก็เอาไปทำบุญให้หมดอย่าไปใช้มันใช้มันแล้วมันติดเข้าใจไหมใช้แล้วต้องใช้อยู่เรื่อย เคคือเคอยกินอะไรต้องเดี๋ยวถึงวันเดี๋ยวถึงเวลาก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อกาแฟเดี๋ยวก็ซื้อขนมอซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรต่างๆออืพอหมดก็ต้องไปหาเงินมาซื้อใหม่มันก็ติดอยู่กับการใช้เงินเป็นที่พึ่งถ้าไม่อยากจะพึ่งเงินทองก็ต้องหยุดใช้เงิน พอเราหยุดใช้เงินเงินที่เหลือก็ไปทำบุญให้หมดทำทานแล้วเราจะไดะ้ไม่ต้องใช้เงินอีกต่อไปนี่คือเรื่องของทานศีลภาวนาสอนให้คนที่ยังมีเงินทองอยู่คือสอนให้ทำทานรักษาศีลให้เจริญสติให้ให้ใ ห, ให้ให้เจริญสมาธิเจริญปัญญานี่ ทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันเพราะคําว่าภาวนาก็คือการเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่เองสมถะภาวนาแปลว่าการทําใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือการสอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาดังนั้นคําว่าภาวนาก็คือสมาธิและปัญญา ถ้าสอนคนที่ยังมีเงินทองอยู่คนที่ยังติดเงินติดทองอยู่ก็ต้องสอนให้ละเงินทองเข้าใจไหมอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆถ้าจะใช้เงินก็ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติได้อยู่เพราะคนบางคนบวชไม่ได้อย่างผู้หญิงนี่หาที่บวชยาก ก็เลยต้องเลี้ยงตัวเองแทนที่จะต้องไปบินธบาตเหมือนพระ ก, ก็ไปไม่ได้ก็ต้องบินธบาตกับตัวเองเราต้องเก็บเงินไว้สำหรับใส่บาตรให้กับตัวเองทำบุญให้กับตัวเองอข้าใจไหมถ้าใช้เงินแบบนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินนี้แบบนี้ไว้แต่มันก็จะมีปัญหาได้เดี๋ยวเกิดเงินไม่พอใช้ ทางที่ดีก็อยากไปใช้เงินไปไปอยู่ที่สำนักที่เขาให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่หายากมึงสำหรับผู้หญิงเนี่ยเพราะไม่มีใครใส่บาทให้ผู้หญิงเนี่ยแต่ก็อาศัยต้องไปอาศัยวัดเนี่ยไปอยู่กับวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านเลี้ยงพวกแม่ที คหืออาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตเหลือก็จัดส่งไปให้แม่ชีกินกันวัดวัดใหญ่ๆวัดที่มีครูบาอาจารย์นี่จะมีมีมีที่ให้ผู้หญิงอยู่ได้ปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการใช้เงินทองแต่มีไม่มากงั้นก็เลยต้องใช้ทางเลือกใหม่ ทางเลือกใหม่ก็คือหาเงินทองเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาใช้เฉพาะค่าอาหารค่าที่อยู่วัดไซสแต่ยังไงก็สู้ไปอยู่วัดไม่ได้หรอกที่อยู่วดัดไัสที่ปฏิบัติถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดมันก็ยังบรรยากาศมันไม่มันไม่เหมือนกับอยู่วัดต่าวัดเขาใช่ไหมเนี่ยวนนี้เป็นยังไงเนี่ย เสียงนกชุกชกชุ๊กชุกชิกไปอยู่คอนโดมันไม่มีอย่างนี้มีแต่เสียงรถวิ่งเสียงอะไรฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงถึงอาภาัพวาสนาในเรื่องของการบวชแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะบวชอยู่แล้วผู้หญิงชอบหาความสุขจากลูกเสียงกิ่นรถมากกว่า ชอบหาแฟนให้แฟนมารับใช้มากกว่าให้แฟนยัีงดูนั้นผู้หญิงก็บวชน้อยก็เคยมีภิกษุณีมาก่อนผู้หญิงบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าภิกษุณีในสมัยพุทธกาลแต่พอนา น, านานเข้านานเข้าแล้วมันก็ล่อยหลอ สมาชิกค่อยๆหมดไปตอนนั้นที่เคยก็ไม่มีใครมาบวชเป็นภิกษณุณีก็เลยต้องถือว่าสิ้นสุดไปพระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าถ้าหมดก็หมดไม่ให้มาต่อใหม่แต่สมัยนี้ไม่ทราบว่าเขาไปต่อจากที่ไหนกันเขาไปว่าที่ยังมีที่นู่นที่นี่เขายังมีภิกษุณีอยู่เป็น เดีย๋ยนี้ใครอยากเป็นภิกษุณีก็ต้องไปบวชที่ศีรางกาลางพาที่ศีรางกลางมีภิกษุณีหรือแม่งก็ไปใต้หวันหรือที่ไหนก็ไม่ทราบที่ต้องมีก็ยังว่ามีภิกษุณีอยู่แต่ที่เมืองไทยนี่เราไม่มีภิกษุณีแล้วทางรัฐบาลทางการเขาก็ไม่รับรองพรภิกษุณี แต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรใครอยากจะมาเป็นภิกษณุณีอยู่แบบภิกษณุณีเขาก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าชาวบ้านที่จะสนับสนุนนี้ก็เขาไม่ค่อยรู้จักว่าภิกษุณีนี้เป็นอะไรแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้วัดเขาเคยไปวัดไปรู้จักภิกษุณีก็ากศรัทธาได้เขาก็ไปทำบุญวัดของภิกษุณีก็ได้ก็มีอยู่ ถ้าอยากจะบวดก็ไปหาวัดที่มีภิกษุณีอยใช่ไหมมีไหม ม, มีหรือวัดที่มีแม่ชีหัวหน้าที่เข้มแข็งมีคนศรัทธาแม่ชีสังฆีนะไปได้ยินชื่อไหมแต่เธอไม่ค่อยไปทางวิปัสสนาเท่าไหรนะ่เธอจะไปทางโชคมวยอะ หรือไปทางช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็ไปทางสังคมสงเคราะห์ไม่ไปในทางก็มีที่ราชบุรีก็มีกอเขาสวนหลวงอันนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนาในเฉะนนั้นก็ต้องไปวัดที่มีมีสำนักไม่ชีอยู่ วัดศรีวกรามนี้ก็เป็นหมู่มีหมู่บ้านแม่ชีเลยก็ต้องหาดูถ้าอยากจะบวชเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองอถ้าต้องกังวลกับเรื่องเงินทองมันก็มันก็จะรบกวนใจกังวลใจ จะทำให้ใจมันไม่ตปรงมันไม่ลงนั่งสมาธิมันจะสงบยากมันเป็นไม่วรนแต่ถ้ามันไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองรู้ว่ามีกินมีอยู่ก็ก็ไปอยู่ตามวัดป่าที่มีครูบาอาจารย์บางวัดก็เป็นวัดเล็กๆมีพระไม่กี่รูปมีไม่ชี้ไม่กี่คนนี้ก็ ก็มีอยู่ตามภาคอีสานนี่น่าจะมีมากใครที่สนใจที่จะบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีก็ต้องต้องแสวงหาที่สมัยที่เรายังไม่ได้บวชเราก็ต้องศึกษาที่ต่างๆว่าจะไปบวชที่ไหนไปอยู่ที่ไหน พอดีเราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ชาวฝรั่งอเมริกันนี่เขาไปสํารวจวัดปฏิบัติต่างๆทั้งสี่ภาคเลยเขาไปหมดเลยแล้วเขาก็ไปดูว่าวันนี้ปฏิบัติอย่างไรการกินอยู่อย่างไรอาจารย์สอนอะไรอย่างไรเน้นทางไหนเอก็เลยได้อาศัยหนังสือนี้ เป็นคู่มือก็เลยได้รู้จักวาดสายของหลวงปู่มั่นเ ม, มื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้ก่อนที่จะบวชก็ไม่รู้จักวาดสายหลวงปู่มั่นเพราะเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราอาศัยหนังสือธรรมะที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษอ่านมันก็จะมาคัดมาจากพระไตายบิดกงจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับวาดวา สถานที่ปฏิบัติในเมืองไทยพอจะบวชก็เลยไม่รู้จะไปบวชที่ไหนดีก็ถามคนเขาก็บอกเนี่ยที่ใกล้บ้านก็มีวัดเนี่ยวัดช่องลมวัดเข่งที่สุดเน่ะก็เลยไปคุยกับหลวงพ่อเจ้าว่ากราบเรียนท่านาว่าอยากจะปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฐาน ท่านก็บอก ว, ว่าท่านก็ยังเป็นวัดสวดวัดเรียนอยู่เราอยากจะปฏิบัติไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะสวดไม่อยากจะรับกิ์นิมนต์ท่านก็เลยบอกว่าต้องไปทางภาคอีสานถึงจะมีวัดปฏิบัติก็โชคดีแล้วต้องถามคำทางไปเรื่อยๆแล้วท่านก็แนะนำให้ไปบวชที่วัดบอลเพราะถ้าบวชที่กับท่าน พรวินัยบางคําให้ต้องอยู่กับท่านห้าปีอยู่กับท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติได้แต่เรียนแต่ท่านบอกถ้าไปบวชวัดบอ์บวชกับสมเด็จพระสังฆราชที่เพิ่งสิ้นไปเนี่ยท่านจะอนุญาตให้ไปหาอยู่หาครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติได้ท่านจะฝากไปเหมือนกับว่า ถ้าไม่อยู่กับอุปชาก็ต้องฝากให้อยู่กับอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งคือพระบวชใหม่นี้ยังไปเหมือนเด็กเพิ่งคลอดใหม่จะปล่อยให้อยู่ตามลําพังไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็นพระบวชป้้มเพลงดาโกนหัวหอมผ้าเหลืองแต่ใจมันยังคิดเป็นคาราวาสอยู่เดี๋ยวถ้าไม่มีใครสอนวิธีเป็นพระเดี๋ยวก็ไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. ก็เลย บ, รบพระพุทธเจ้าเลยบังคับว่าพระบวชใหม่นี้ต้อง อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพันสาก่อนมันเด็กเลียให้มันโตก่อนให้มันรู้จักกินจากนอนจากยืนจากเดินจากอะไรให้มันรักษาตัวมันเองได้ก่อนแล้วค่อยปล่อยมันไปเนั้น mm. ถ้าไปบวชกับใครก็ต้องอยู่กับวัดนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องขออนุญาตจากวัดนั้นไปอยู่กับวัดนู้นต่อ mm. ถ้าท่านอนุญาตก็ไปได้ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้ ก็เลยไปบวชที่วัดบองอพอเขาบอกไปบวชที่นั่นแล้วขออนุญาตท่านไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ทางภาคอีสานได้ตอนนั้นก็รู้จักวัดหลายวัดทางภาคอีสานในหนังสือวัดหลวงปู่เทศวัดหลวงปู่ขาววัดหลวงปู่ฟ้านวัดหลวงตามหาบัว ก็มีหลายวัดก็ย <calculated S 2> ังไม่รู้จะเอาวัดไหนก็คิดว่าคงจะต้องไปช้อปปิ้งดูเหมือนกันไปลองแต่ละวัดดูก็เลยเลือกวัดหลวงตาก่อนวัดแรกพอดีตอนที่บวชที่วัดบวรมีพระเขาไปที่นั่นมาเขากลับมาบอกวิธีไปว่าให้ไปอย่างไรเนี่ยก็เลยอ่ะลองไปวัดนี้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้ก็เหมือนหาบ้านเนี่ย หาบ้านแล้วก็ไปเรื่อยๆดูบ้านนี้ว่างหรือเปล่าราคาเท่าไหร่พอเรามีเงินจ่ายหรือเปล่าแต่ละวัดเขาก็มีกฎมีเงื่อนไขอะไรต่างๆไม่เหมือนกันก็พอดีไปวัดแรกวัดหลงตา ก, ก็ถูกใจชอบใจเพราะเป็นวัดที่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นมีนอกจากปฏิบัติอย่างเดียว ก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆตอนต้นท่านก็ไม่ให้อยู่ท่านบอกให้อยู่ชั่วคราวแต่พอจะเข้าพรรษาท่านก็เมตตาท่านเหาจะอยู่ก็อยู่ไปตอนต้นบอกว่าอยู่ได้ชั่วคราวท่านใครท่านก็ใช้ท่านก็ต้องการดูคนเวลาไปอยู่ท่านไม่รับทันทีเข้าใจไหมให้ไปทดลองดูก่อน ถ้าเหมือนสมัยนี้แต่งงานก่อนจะแต่งงานค่ายมั่นกันก่อนจะได้รู้จักนิสัยใจคอกันว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าแต่สมัยนี้มันไม่มันไม่มั่นอ่ะมันไม่แต่ง่มันนอนด้วยกันก่อนเลยแล้วพอไม่กี่วันมันก็มาหย่ากันใช่ไหมมันไม่ได้แต่มันไม่ได้แต่งเพื่ออยู่เป็นครอบครัวสมัยนี้มันแต่งเพื่อการอารมณ์ ท่านั่นแหละสังคมทุกวันนี้มันเป็นสังคมของกลามอารมณ์มันเลยแต่งกันแล้วมันก็อยู่กันไม่ยืดอยู่กันไม่นานสมัยก่อนก็ให้มั่นกันก่อนปีหนึ่งก่อนจะแต่งงานกันก็ให้อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนเขาว่าอยากจะรู้ว่ารักกันจริงหรือไม่รักกันจริงให้ไปเดินขึ้นเขาภูกระดึนกัน เราจะเห็นท่านแท้ของของคู่รักเราว่ามันรักเราจริงหรือเปล่าหราือมันรักตัวมันมากกว่าอาจารย์เคิเคราะไหมคะไม่เค ย, เคยเนะเพียงแต่ก็ได้ยินเขาเล่าให้ฟังว่ามันโหดนะสมัย น, นั้นก็เป็นอย่างนั้นนะฮะสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นนลยก็คื อ, อก็คือเนี่ยจะจีบกันเนี่ยไปผูกดึงเลยอปกันจะใจรู้กั น, นผู้ชายก็อะไรตอนแรกก็ทิวของให้ผู้หญิงก่<ม>อนต่อไปก็ไม่เอาแล้ะ ตัวใครตัวม <laughs> <c oughs> ันเรื่องของการหาวัดเราก็ต้องหาวัดเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปอยู่วัดไหนไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนก็ไม่ไปผูกยึดมั่นถือมั่นไปไปก็ไม่ได้หวังอะไรมากอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็คงต้องไปถ้าท่านบอกว่าต้องไปก็ต้องไปอดีโชคดีท่านไม่ไม่ไล่ท่าน ให้อยู่ก็อยู่ไปถ้าสมมื่อท่านบอกอยู่ไม่ได้ที่มันเต็มก็ต้องไปหาวัดอื่นต่อเพราะมีพระรูปอื่นที่ท่านไปแล้วข้างแรกท่านก็ไม่ได้อยู่ท่านก็บอกมันเต็มท่านก็เลยต้องไปหาวัดอื่นอยู่แต่พอออกพรรษาท่านก็กลับมาใหม่มาเข้าคิวใหม่มาก่อนเลยทีนี้พอออกพรรษาปั้มมาจ่อคิวเลยทีนี้ได้ละเอาหัวคิวเลย พอเปิดเพราะเวลาออกพรรษามันต้องมีพระเก่าบางทีศึกกันไปหรือย้ายที่อยู่กันมันก็จะมีที่ว่างพระองค์ไหนที่เขาศรัทธาเขาก็รัครูบาอาจารย์อยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องทาอย่างนี้เขาต้องกลับเข้าไปหลายข้าครั้งกว่าจะได้อยู่แล้วบางทีก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ทดสอบจิตใจด้วยว่าอยากจะอยู่กับท่านจริงหรือเปล่า เหมือนคู่รักกันเนี่ยรักกันจริงรู้เปล่าถ้ารักกันจริงต้องขัดใจกันได้ถ้าคอยตามใจกันเดี๋ยวพอขัดใจแล้วเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เังนั้นคนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าอยากจะรู้ว่าแฟนแฟนจริงรู้ไม่จริงก็ลองขัดใจกันไปก่อนอย่าเอาใจกันเอาใจมันพอต่อไปเวลาอยู่ด้วยกันมันต้องขัดใจกันอ่ะเพราะคนเรามันจะมีความเห็นไม่ตรงกันเสมอ แต่บางทีวันนี้เขาอยากจะไปเที่ยวเราอยากจะนอนอย่าเงี้ยเดี๋ยวถ้าไม่ไปดูซิว่าเขาจะไหงไงเ ข, ะะเขาจะโจะมะโหหรือเปล่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าอย่าจะโมโหหรือโกรธก็มาให้มันโกรธตอนที่จีบกันดีกว่านตอนที่ยังไม่ไปแต่งงานอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านก็ทดสอบลูกศิษย์ก็แบบนี้แม้แต่ในสมัยพระพุทธการก็เหมือนกัน อย่างที่เคยเล่าให้ฟังพระโปธทลันเนี่ยเป็นพระมาเทระท่านเก่งทางทางปรีญะทางปริยัติท่านฟังเทศของพระพุทธเจ้าท่องคำเทศของพระพุทธเจ้าจำได้หมดเลยแต่แทนที่พระเจ้าจะยกย่องสรรเสริญท่านกล่ว่ามันเป็นใบลานเปล่าคือความรู้ที่ได้ท่องจำนี้มันมันดับกิเลสไม่ได้มันฆ่ากิเลสไม่ได้ทาให้บรรลุธรรมไม่ได้ พอพรเจ้าเตยชัยไรก็บอกใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าจนวันหนึ่งก็เลยได้สติขึ้นมาว่าเราต้องไปปฏิบัติแล้วมั้งก็เลยตัดสินใจไปหาสำนักปฏิบัติก็ไปเอาไปหาสำนักที่เป็นพระอาหารหันต์เป็นอาจารย์แล้วพอดีสำนักนั้นก็มีแต่พระอาหารหันต์ทั้งสำนักเลยแม้แต่สา ม, มเณรก็เป็นพระอาหารหันต์ นี่เนื่องจากว่าท่านบวชมานานแล้วพระที่จะเป็นสมเจ้าสัมพันทั้งหมดที่อยู่ในสำนักนั้นภาษาอ่อนกว่าเวลาไปหาเจ้าสำนักไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านก็บอกผมสอนท่านไม่ได้ท่านเป็นพระเทยละท่านก็ปฏิเสธลองไปถามองค์อื่นดนะูไปถามองค์อื่นก็ปฏิเสธหรือสั ม, มเนนก็เชื่อว่าสั ม, มเนนก็เป็นพระ ป า, าราหันเชื่อว่าสอนท่านได้ท่านก็ไปขอสัมมเนนตอนต้นสัมมเนนก็ทําท่าครูบาอาจารย์ถ้าไม่รับเราเราเป็นสัมมเนนจะไปรับได้ไงตอนนี้หัวหน้าท่านบอกสัมมเนนเธอไม่สงเคราะห์ท่านหน่อยหรือพออหัวหน้าเปิดโอกาสเปิดช่องสัมมาเนนอ่ะเอาก็เอาอ่ะอ <c oughs> แต่ก่อนจะสอนก็ทดสอบก่อน ลองดูว่าเชื่อฟังหรือไม่ดื้อหรือไม่ก็ <Yeah. S 1> เอามาใช้งานเลยล้างกระโถนล้างบาตรกวาดถูสาราไอ้กวาดถูปุติสักจีวอน <Yeah. S 1> เป็นคนรับใช้พูดง่ายๆลูกศิษย์มันต้องรับใช้ครูบาอาจารย์ในในศาสนาพุทธนี้ท่านมีหน้าที่ระวังลูกศิษย์กับอาจารย์อาจารย์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้แกบลูกศิษย์ ลูกศิษก็มีหน้าที่รับใช้ครูบาอาจารย์ปนนิบัติทํางานเวลาที่เขาถือถือนิสัยคือขอถือถือเป็นอาจารย์ลูกศิษย์นี้ก็จะมีกล่าวว่าภาระของข้าพเจ้าขอให้ภาระของท่านขอให้เป็นภาระของข้าพเจ้าภาระของข้าพเจ้าขอให้ถือว่าเป็นภาระของท่านให้ถืออย่างนี้ คือภาระของครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ขอให้ท่านสั่งสอนภาระของครูอาจารย์ที่ต้องรักจีวร้างบาท、รล้างกระโถนี้ก็ลูกศิษย์ก็จะเอาไปทำให้แบ่งภาระกันไปขอให้ภาระให้ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตนภาระของท่านผมขอรับภาระของผมขอให้ท่านรับคือสั่งสอนผม แล้วผมก็จะข อ, อะรับใช้ใท่านกวาดถูสาราสักจีวรรับใช้ทุกอย่างใช้ให้ทำอะไรก็ทาหมดก็เลยทดสอบดูว่าจะจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าก็ใช้ให้ทำอะไรก็ท่านก็รับทำหมดแก้งใช้ให้ลงไปลุยในน้ำให้ไปหยิบของพอลงไปเปียกครึ่งตัวก็บอกไม่เอาล่ะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจเอาไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่โกรธอาจารย์ไม่อะไรไม่แสดงกิริยาการยังเขารบยังอ่อนน้อมเหมือนเดิมจนในที่สุดสามเณรก็เห็นว่ า, าลูกศิษย์นี้เชื่อฟังยินดีที่จะฟังํำสอนทุกอย่างก็เลยสอนธรรมะให้พอสอนไปไม่นานก็บรรลุเลย กเอาไปปฏิบัติตามทุกอย่างอืไม่มีการเอาไปอ้างว่าทําไม่ไดออ้อย่างนู้นอย่างนี้สอนให้ทําเลยสั่งให้ทำอะไรทําหมดเสอนให้สักกีวรสอนให้ล้างกระโทนสอนให้ลุยลงไปในน้ำไปหยิบข้าวหยิบของสอนให้ทำอะไรทําตามทุกอย่างอสอนให้ปฏิบัติทำสอนให้ละกิเลสก็ละตามไม่มีข้อแม้อันใด มันก็เลยบรรลุง่ายเนี่ยการสั่งสอนทางพระพุทธศาสนานี่ท่านจะดูคนที่มาเรียนว่าดื้อหรือไม่ดือ้อถ้าดือ้อพูดแล้วพูดอีกแล้วมันไม่ทำํำมันก็รูจะพูดมันรู้จะสอนไม่ทํำไมสอนไปมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนี่แหละเวล า, าจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ตามสํานักปฏิบัติเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะ รับคำสั่งคำสอนทุกอย่างรับเงื่อนไขข้อแม้ทุกประการพรเราเชื่อในคุณธรรมของท่านว่าท่านไม่ได้ตั้งข้อแม้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของท่านท่านตั้งข้อแม้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของเราท่านต้องการช่วยปากกิเลสของเราเพราะกิเลสของเรามันเงื่อนไขยเยอะข้อแม้เยอะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องได้กุติอย่างนั้นต้องกินอาหารแบบนี้ ไปอยู่กับท่านท่านจะทำแบบว่าเหมือนเราเนี่เป็นคนไม่มีค่าเลยกุฏิก็หากุฏิเร็วๆให้อยู่อาหารก็ตามมีตามเกิดไม่ได้มาจัดสรรให้อย่างดีโอเป็นลูกเจ้านายเดี๋ยวต้องเตรียมอาหารชุดมาให้หากุฏิอย่างดีมาอยู่อย่างี้ไม่มีหรอกถ้าคนไปปฏิบัติจริงๆแต่บางคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติจริงๆบางทีท่านก็ต้องทำใจ ต, ตาม อตามประเพณีตามสังคมบางทีท่านก็อาจัดกุฏิพิเศษให้ถ้าเป็นลูกเจ้านายอะไรเพราะเขาไม่ได้มาบวชแบบบวชเรียนบวชปฏิบัติบวชแบบธรรมเนียมขออยู่เดือนหนึ่งอะไรบางทีท่านก็ไม่ได้เอากฎแบบนี้มาใช้พอถ้าใช้เขาก็เขาก็รับไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะเสียใจอาจจะเสื่อมศรัทธา อุตส่าห์มีศรัทธากับวัดนี้ทําบุญกับวัดนี้มากมายพอถึงเวลามาบวชแทนที่จะจัดกุฏิดีๆให้ลูกอยู่กับไปจัดกุฏิเ่งสวยให้อยู่อย่างนี้ป้เอาไปเขาจะจัดให้เราอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเขามีกฎมีระเบียบอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะอยู่กับเขาอันนี้มันเป็นเหมือนสอบเอ็นทานเขาอย่างนี้ พอเราผ่านแล้วต่อไปเขาก็หาของดีๆมาให้เราใช้เองนะถ้านก็เห็นว่าเราดีเราขยานันเราไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจนะเป็นอยู่แล้วเป็นประโยชน์ก่ต่อสถานที่เดี๋ยวก็มีอะไรดีดๆเขาก็หาให้เราเองอนะแต่ใหม่ๆนี้เขาต้องทดสอบดูเราก่อนว่าเราดีจริงหรือไม่ดีจริงนะถ้าไม่ดีก็คือจู้จี้จุกจิกอยากได้นู่นอยากได้นี่นะ พอไม่ได้ก็โ บ, บนแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาให้กับวัดเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้อยู่คนนี้แล้วกให้คนที่อยู่แบบมากน้อยสันโดน ย, ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็คิดตอนคิดว่าตอนเป็นเพียงผู้อาศัยไม่ใช่มาเป็นเจ้าของวัดพออยู่ไปไม่ึไม่นานตตั้งตัวเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของวัดแล้วมัน อย่างนี้มันถึงไปอยู่ยากถ้าอยากจะอยู่ง่ายต้องทำตัวทำตัวเล็กๆไว้ทำเป็นแจวบอย่างเงี้ยเขาใชใ้ล้างจานก็ล้างเขาใชใ้ทำอะไรก็ทำไปาหายกวาดถูใบไม้กวาด ก, ก, กวาดเก็บใบม่วงใบไม้ทำเก็บขยะทำอะไรก็ทำไปเขาต้องการจะทดสอบดูจิตใจของเราว่าเป็นยังไง พอก็เห็นว่าเราเป็นคนที่ดีไม่มีปัญหาเขาก็อยากจะให้เราอยู่ตอ่อแต่ถ้าเรามีปัญหาเขาก็ังไม่อยากจะให้เราอยู่นี่คือเรื่องของผู้ที่กำลังหาที่อยู่ที่ปฏิบัติก็ต้องดูหลายอย่าง เราดูเขาเขาก็ดูเราสำหรับเราเราก็ดูเราอยากจะได้ที่สงบที่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นไม่มีเรื่องบุญบังสังสว่วนไม่มีงานก่อสร้างต่างๆมีแต่งานภาวนาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เก่งถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่บรรลุได้ยิ่งดีใหญ่ ส่วนเขาเขาก็จะมองเราว่าเราเป็นคนถือเนื้อถือถือเนื้อถือถือเนื้อถือตัวหรือไม่เป็นคนจูจ้จี้จุกจิกหรือไม่เจ้ากี้เจ้าการหรือไม่ไม่ใช่ไปอยู่ทักพักเดี๋ยวเริ่มสั่งบอกเริ่มเริ่มสอนแน่อาจารย์ว่าคนจะทำํงงะทำอย่างนั้นคนจะทําอย่างนี้แะ้อาจารย์เท่นมากไปแล้วอาจารย์พักได้แล้วพวกเจ้ากี้เจ้าการอาพวกที่เ ข, ข, ข้าไม่ถูกที่ ไอ้ที่คันไม่เกาชอบไปเกาไว้ที่ไม่คันไอ้ใจของตัวเองคันแต่ไปเกาที่คนอื่นไปเกาที่อาจารย์เห็นอาจารย์เทศแล้วเหนื่อยแล้วก็เลยคันขึ้นมาก็เลยต้องไปบอกอาจารย์ให้อย่าศเทยพวกเจ้ากี้เจ้าการถ้าไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะให้ไปเจ้ากี้เจ้าการที่อื่นเขาไมเขาไม่ต้องการคนเจ้ากี้เจ้าการเขาอยู่เขามาได้ เราไม่มีเราก็ไม่ตายหรอกอืเราไม่มีใครมาแนะนําเราให้เทศเราไม่เทศเราก็ไม่ตายหรอกเราก็อยู่ของเราได้ไอ้เรื่องเทศไม่เทศนี้เราต้องรอให้คนอื่นมาบอกเราเลยเราโง่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราใครจะมารู้ดีกับตัวเรายิ่งกว่าเราอะคนอื่นจะรู้เราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเราต้องการพักเราไม่ต้องการพักให้คนไม่รู้กลับมารู้แทนเราเก่งกว่าเราไง ออาจารย์เหนื่อยแล้วอย่าไปเทศมากเลยสงสารอาจารย์เนี่ยมัน ไ, ไม่ถ้าไปเจ้ากี่จาการที่อย่างนี้ไม่มีค่าข้าให้อยู่หรอกเดี๋ยวก็กเชิญไปคุณไปเจ้ากี่จาการกับชีวิตของคุณเถอะไม่ต้องมาเจ้ากี่จ้าการกับชีวิตของคนอื่นเขาหรอกถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วไปยุ่งกับคนคนน้นคนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องขึ้ น, านมาเอง ไปอยู่ท้อไม่ต้องการให้ไปยุ่งกันก็ให้ไปยุ่งกับตัวของตัวเองไปเกาที่มันคันอไอ้ที่มันคันก็คือใจของตัวเองปากของตัวเองมันคันมันเลยต้องพูดงใจมันคันก็ใช่ไหมมันต้องมันต้องใช้สติใช้ปัญญาระงับมันอมันไม่ใช่เรื่องของเราท่าหน่อยเรือไปยุ่งกับเขาทําไมเรื่องของชาวบ้านเราไม่เกี่ยวไปเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็เราไปทําสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นเขา ถ้าอย่างนี้ก็ไปไหนก็อยู่ไม่ได้หรอถ้าไปแล้วกเก็บเนื้อเก็บตัวอ่อนน้อมท่อมตนทำตัวเป็นผู้น้อยไยไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าจะไปทาตัวเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ น, นี้เดี๋ยวก็ผู้กํากับวงดนตรีเขามีผู้กากับอยู่แล้ววงดนตรีเขาไม่ต้องการก็ยังไม่ได้เปิดสมัครรับจ้างผู้กํากับ ให้เรามาขอสมัครเป็นเลยนะ <c oughs> นี่เกิดสำหรับเราถ้าเราไปอยู่ที่ไหนต้องหาทำตัวเราให้เขารับเราได้ <c oughs> เราต้องอ่อนน้อมเราต้องยอมรับเงื่อนไขทุกประการของสถานที่ที่เราจะเข้าไปอยู่ <c oughs> ถ้าเราไปขอต่อรอง อ, งอย่างอุ่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมังสัญญาณมันอาจจะขาดเป็นช่วง ถ้าเราไปขอต่อร้องต่อรองเขาก็าที่นี่ไม่ต่อรองด้วยล่ะคุณไปอยู่ไปหาที่อื่นอยู่ก็แล้วกันงั้นใครจะมาเจ้ากี่จ้าการกับเราก็ไปไปที่อื่นนะขอร้องอย่ามาเจ้ากี่จ้าการกับชีวิตของเราถ้าเราต้องการให้มาเจ้ากี่จ้าการเราจะประกาศบอกบอกช่วยบอกหน่อยว่าเราควรจะเทสแล้วไม่ควรจะเทสควรจะหยุดวันไหนแล้วไม่ควรจะหยุดวันไหนะ ถ้าเราไม่ประกาศขอร้องก็ไม่ต้องมากํากับชีวิตของเราเนะีเรื่องแค่นี้เราดูแลชีวิตของเราไม่ได้การมันรู้ไปมีใครอยากจะถา ม, มอะไรอ่มถามนาพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นเห็นเราใช่ไหมคะอะแล้วก็พระพุทธเจ้ากต็ตรัสว่าจงอย่า ย, ยึดมั่นในธรรมมันก็ยึดมั่นกับ ตรงไหนไม่ยึดมั่นในธรรมมีเหรอไปไปเปิดมาให้เราดูด้วยเราเขาชาบอคำว่ายึดมั่นในธรรมหมายความว่าอย่างไรรู้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อย่าพุ่งเลอบางทีมันไม่ขัดแย้งเพียงแต่เราไปจํามาผิดจํามาผิดคือคําว่าธรรมนี่มันมีหลายความหมายด้วยกัน ถ้าเป็นความกว้างๆธรรมก็คือทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดน ะ, ะร่างกายเราสมบัติเข้าของเงินทางเราก็เรียกมันเป็นธรรมได้แต่ความหมายแคบมันก็คือความดีงานทั้งหลายหรือเอทางดําเนินสู่การหลุดพ้นก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าอยากจะหลุดพ้นแล้วไม่ยึดติดกับธรรมแล้วมันจะมันจะหลุดพ้นได้ยังไงทํามมันเหมือนยาอย่างเงี้ยถ้าไม่กินยามันจะหายหรือเปล่าจากโรคภัยไข้เจ็บ อย่ายึดหมอบอกก็บอกบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปกินยาที่หมอสั่งไปให้กินงั้นมันมันมันบางทีคนก็พูดแล้วเราต้องไปขยายความก่อนว่าเขาหมายถึงอะไรอย่างเขามาพูดสั้นๆแล้วเราก็เอามาคิดปวดหัวเนี่มันเข้าใจหรือเปล่ามันคําว่าธรรมนี่มันมีความหมายกว้างขวางแล้วพูดแต่และเรื่องนี่มันต้องดู ว่าเขากําลังหมายความว่าอะไรอยู่ในตอนนั้นในในการนำมาสูตรก็บอกว่าอย่าให้เชื่อแม้แต่อาจารย์เนี่ยอแล้วไม่เชื่ออาจารย์เราจะไปเชื่อใครล่ะเขาหมายถึงว่าถ้าเกิดอาจารย์สอนอะไรที่มันท่าทางจะไม่เข้าท่าก็ต้องอย่าไปเชื่อแต่ถ้าปกติถ้าสอนแล้วมันไม่มีมันไม่มันไม่มีหน้าไม่น่าสงสัยก็เชื่อไปแต่ถ้าเกิดเริ่มสอนแปลก แต่อา จ, จารย์ชวนให้มาสอนสองต่อสองอย่างนี้ก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วสอนแบบไหนว่าสอนสองต่อสองเข้าใจไหมอ่ามันตัวอย่าเป็นเถนตรงแต่ก็อย่ามันต้องให้มีเหตุมีผลในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันมันมีมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบครอบอคําสอนพระเจ้าอย่างเงี้ยให้เป็นอัต ให้ตอนเป็นดีพึ่งของตอนอ่านี้ก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยจะไม่นขัดกันหรือเปล่าเราทำไมยังต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะกเพราะเรายัางพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมตอนที่เราเป็นเด็กเราต้องพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าแต่พ่อแม่ก็สอนว่ามึงต้องพึ่งตัวเองนะกูเลี้ยงมึงไปตลอดไม่ไหวนะใช่ไหมอพอเราโตขึ้นเราก็พึ่งตัวเราเองเราก็ไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่ ไม่ใช่เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตสทัทียังขอเงินขอทองพ่อแม่อยู่อายุจะแก่ตายแล้วบางคนยังขอเงินพ่อแม่อยู่ <c oughs> อย่างนี้มันไม่ถูกเข้าใจไหมดังนั้นคำพูดคำสอนแต่ละคำนี่มันมีความหมายฉเฉพาะของมันเราต้องไปค้นหาดู ว, ว่าเขาพูดเขาหมายถึงอะไรกันในตอนนั้นแล้วรรลองได้ว่ามันไม่มันไม่ขาดกันหรอก คือที่ท่านบอกไม่ให้ละไม่ยึดทำทั้งปวงนี่ท่านหมายถึงเรายืนขั้นสูงสุดแล้วขั้นสุดท้ายเนะี่ยให้ปล่อยทุกอย่างอืทำนี่เป็นเหมือนบันไดเนะี่ยคุณจะขึ้นมาศาลานี่ถ้าคุณยังไปยืนติดอยู่บนบันไดคุณจะขึ้นบนศาลานี้ได้ไหมนะยังไม่ติดอยู่กับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ยังขึ้นมาบนศาลานี้ไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นบันไดอ่ะพอเราขึ้นถึงขั้นสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องทิ้งบันไดก้าวขึ้นมาสู่บ้านอย่ารท่านหมายถึง อ, อย่างงั้นบางที่เราถึงขั้นสุดท้ายเราต้องหยุดแล้วต้องหยุดพิจารณาต้องหยุดอะไรทุกอย่างนะเราไม่หยุดมันก็ยังไม่มันก็ไม่รู้เหมือนกับพระอานน์เนี่ยอยึดคําสอนพระเจ้ายึดคําทํานายพระเจ้าว่าเธอจะต้องบรรลุในคืนนี้ก็นั่งคิดอยู่แต่คำคำสอนเนี่ยต้องบรรลุบรรลุคิดจนตายมันก็ไม่บรรลุสักที เขายึดอยู่กับคำสอนไม่ปล่อยวางคือยังอยากบรรลุความอยากบรรลุมันก็เลยทำให้ไม่บรรลุพอบรรลุไม่บรบรลุมันก็เลยหยุดอยากพอมันหายอยากมันก็เลยบรรลุเห็นไหยพระพุทธเจ้าบอกจะบรรลุคืนนี้ชเช้านี้วันสุดท้ายนี่แหละใกล้จะสว่างแล้วก็ยังไม่บรรลุสักทีพยายามปฏิบัติเร่งความเพียร น, นั่งสมาธิพิจารณาอะไรต่างๆไป ก็ไม่บรรลุสักทีเพราะใจอยากบรรลุพอรู้ว่าเออไม่มีทางที่จะบรรลุแล้วก็เลยหยุดอยากหยุดปฏิบัตินอนดีกว่าพอจะอยู่ระหว่างท่านั่งกับท่านอนก็บรรลุเลยตอนนั้นอะปล่อยทุกอย่างปล่อยนิพพานปล่อยความอยากจะไปนิพพานความอยากจะบรรลุนิพพานนี่ก็ต้องปล่อย แต่ถ้าตอนต้นนี่ต้องอยากบรรลุถึงจะไปได้อย่างพวกเราตอนนี้ต้องอยากบรรลุนิพพานถ้าไม่อยากบรรลุนิพพานเดี๋ยวก็ไปหาเงินกันเลยใช่ไหมพวกที่ไปหาเงินนี่เขาเป็นพวกที่ไม่อยากจะไปนิพพานกันใช่ไหมแต่พวกเรามานี่เราอยากจะไปนิพพานกันใช่ไหมถ้าเราไม่มีความอยากไปนิพพานเราจะมาที่นี่ทําไมเราก็ไปกินเหล้าไม่ดีกว่าไปเที่ยวไม่ดีกว่าแต่เราอยากจะไปนิพพานกันเราก็เลยต้องมาศึกษามาปฏิบัติ ถึงสมาธิปัญญากันแต่พอเรามาถึงปากประตูของนิพพานแล้วเราก็ต้องเข้าไปเลยอย่าไปอยา ก, ยากถึงนิพพานแล้วก็จะไปอยากอะไรอความหมายเป็นอย่างงั้ต้องปล่อยคำถามจากคุณนาราการสวดมนต์กับนั่งสมาธิเหมือนกันหรือต่างกันคะก็ มันเป็นวิธีนั่งสมาธิแบบหยาบๆคือการสวดมนต์ก็ทำให้เราไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้ใจสงบลงระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องนั่งหลับตาต่อแล้วก็พุโทโธหรือดูลมหายใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปสวดมนต์ ถ้าสวดมนต์ใจมันต้องปรุงแต่งให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธแล้วมันก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ตอนต้นเวลานั่งแล้วมันไม่ยอมดูลมมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธก็ต้องใช้สวดมนต์ช่วยไปก่อนเพราะมันชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดอยู่กับบทสวดมนต์แทนเราสวดไปเจนกระทั่งมันเหนื่อยมันก็หยุดมันก็หยุดคิด พอมันหยุดคิดแล้วก็ดูลมได้พุทโธได้แล้วพอเราอยู่กับพุทโธหรืออยู่ลมเดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ควาสมสงบได้ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการนั่งสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะดูลมหรือพุทโธได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณเจ๊วันพระเราจำเป็นต้องให้ข้าวให้น้ำบนหิ้งพระไหมคะ พระเขาขอหรือเปล่าอ่ะพุทกินได้ปล่าโอ้ไม่ใช้ปัญญาเลยให้ของที่เขากินได้เลยพระพุทธรูปกินอะไรได้บ้างเน่ยกินไม่ได้ข้าวน้ำกินไม่ได้จะให้วันพระ ห, หรือวันโกน ก, ก็กินไม่ได้อยู่ดีวิธีที่จะบูชาพระนี่ท่านให้ปฏิบัติบูชาออให้นั่งสมาธิให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลเนี่ยวิธีปฏิบัตินี่คือบูชา ที่แท้จริงแต่ถ้ายังบูชาที่แท้จริงไม่ได้ก็ให้บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนไปก่อนอย่างน้อยแสดงเจตนาแสดงความเคารพไ้ก่อนอก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาจุดอะไรไปแต่ถ้าไม่มีดอกไม้ทูกเทียนก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีการปฏิบัติบูบชาถ้าเรารักษาศีลนี่เราก็เราได้บูชาพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ เราได้ใส่บาตเราได้ทําบุญนี้เราก็ได้บูชาแล้วเราได้สวดมนต์เราก็ได้บูชาแล้<ม>เวเ ร, ล<ม>เราได้ฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ได้บูชาและว<ม>ให้บูชาด้วยการปฏิบัติแบบนี้เพราะมันจะได้ประโยชน์ถ้าบูชาแบบอื่นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นั้นต้องปฏิบัติบูบบชาคำามต่อไปจากอินบ็ครับจากคุณอ้อมครับ ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำงานหาเลี้ยงชีพทำงานบ้านหรือประกอบกิจต่างๆหนูปฏิบัติโดยเมื่อมีสภาวะรมใดเกิดขึ้นให้รู้ให้พิจรารณาการเกิดไปดับไปแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าคะคือทำเพื่อให้เราหยุดความอยากให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวพอเจอกาแฟก็อยากกินพอเห็นกาแฟกบไม่เห็นมันเกิดมันดับ กับเห็นว่ามันอร่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องทุกอย่างที่เราอยากนี่เราต้องเห็นว่ามันเกิดมันดับเวลามันดับมันทำให้เราทุกข์นั้นเราอยากไปอยากมันดีกว่านี่คือความหมายเ็นเฉยๆไม่พอการเห็นนี่เป็นเพียงเหมือนกับได้ได้เครื่องมือมาเหือนการเห็นนี่เขาเรียวกว่าปัญญาปัญญานี่เป็นเหมือนมีดใช่ไหมที่เราจะไม่เอามีดไปทาอะไร เอามีไปฆ่ากิเลสแล้วไปค่าตัวเราเองถ้ า, าไปค่าตัวเราเองก็คือพอเห็นกาแฟก็อยากขึ้นมาพอเห็นแฟนก็อยากขึ้นมาแล้วก็ไปทำตามความอยากอันนี้เห็นเกิดดับเกิดดับก็ไม่รู้เห็นไปทำไมมันเห็นเกิดดับเพื่อให้เราเห็นว่าแฟนเราต้องดับนะกาแฟมันต้องหมดนะเวลาไม่มีกาแฟดื่มเป็นยังไงดีไหมเวลาไม่มีแฟนอยู่ด้วยดีไหให้คิดอย่างนี้ เพื่อจะได้เอามาหยุดความอยากที่อยากจะได้สิ่ง ต, งต่างๆมาให้ความสุขกับเราการที่ให้เห็นเกิดดับก็ให้เห็นสิ่งที่เรากําลังติดอยู่นี่แหละตอนนี้เราติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับแฟนก็ต้องมองเขาว่าเขาต้องดับน ะ, ะเขาต้องจากเราไปเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่น ะ, อ, ะอย่างนี้ยเวลาเขาไปมีแฟนใหม่เราทํายังไงเราสุขหรือทุกข์อะ เราทําใจให้สุขได้ว่าดีใจเออไปได้ก็ดีอยู่คนเดียวสบายกว่าอันนี้แหละคือเรื่องเห็นเกิดดับเกิดดับเห็นเฉยๆไม่พอคนสมัยนี้คิดว่าเพียงแด่เห็นแล้วคิดว่าบรรลุแล้วไม่ใช่การเห็นไม่ใช่เป็นการบรรลุการหยุดความอยากต่างๆนี่แหละเป็นการบรรลุถ้าเห็นแล้วยังหยุดความอยากไม่ได้ก็เห็นไปเสียเวลาเปล่าๆคาถามจากคุณยหญิง ถ้าต้องขายยาประเทศค่าพยาธิฆ่าเหาจะเป็นบาทด้วยไหมคะบางอย่างก็เหานี่รู้สึกมันจะมีชีวิตนะแต่พยาธินี่มันไม่มีดวงวิญญาณเนาะมันไม่ไม่มีมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีะก็ไม่รู้อะคําถามจากบุญนาลาค่ะเจอเงินตกบนถนนไม่รู้เป็นของใครเอาไปทําบุญเจ้าของเงินได้บุญไหมล่ะครับ ไม่ได้หรอกวอกควรจะวางไว้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญเจ้าของก็ก็ไม่ได้บุญเพราะเจ้าของก็ไม่รู้ว่าไปทําบุญเขาไม่มีเจตนาจะไปทําบุญเขาไม่มีความตั้งใจจะไปทําบุญอยังวางไว้ที่เดิมเพื่อเขากลับมาเดินหาเขาอยากจะได้เจอเพราะมันไม่ใช่เงินของเราเราไปทําบุญเราก็ไม่ได้บุญดีไม่ดีเรากลายเป็นขโมยไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตไปเรียกว่าอัินนา การเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตไปนี่เรียกว่าเป็นการลักขโมอยอาจารหนูเคยเก็บเงินได้ที่อย่าไปเก็บเสียก็มันตกตรงไห น, นก็ปล่อยเงินตรงนั้นสิหนูไปให้เจ้าหน้าที่วัดหนูเก็บได้ในวัดแล้หนูก็ไปให้เจ้าหน้าที่ในวัดไม่ต้องไปให้วันหลังปล่อยไม่ตรงนั้นให้คหนอื่นเขาไปให้ดีกว่าแล้วหนูหนูผิดสิงสองไหมก็ไม่รู้แหละก็หนูไปหยิบของเขาอ่ะใช่ไหมก็ปล่อยไปไม่ตรงนั้นแหละ ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่วัดว่ามีเงินตกอยู่นั้นแล้วแต่เจ้าหน้าที่วัดก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เราไปแจ้งความก็พอคําถามจากคุณอัญชลีค่ะมีเพื่อนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากและลกสวรยนจะบอกเขาอย่างไรคะก็จะบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงฮะพระอรหันหรือเปล่าอะไรพระอรหันเป็นยังไงสีสี ไม่ได้รทาอมเวลาคนตาบอดนูไ้ไปบอกว่าสีขิวสีแดงเป็นยังไงบอกก็ได้บ่นั่นสิคนตาบอดทางตาทิพมันก็มันก็มกองไม่เห็นบุญเห็นบาบอกไงมันก็ไม่รู้อยู่ดีมันไม่เชื่อกับเรื่องของมันดิมันเราทำไมไปอยากให้เขาเชื่อทาไม <c oughs> นี่ก็ก็เป็นกิเลส ข, ของเราเองไง ชอบเปเจ้ากี้จการกับชีวิตเขาเองตัวเองเชื่อหรือเปล่าดีกว่าใช่ไหมขอให้เราเชื่อกาพอคนหนึ่งก็ไม่เชื่อก็เรื่องของเขาคําถามจากคุณจงกลค่ะเมื่อเราหมดลมหายใจเกิดจากท่าดาหยุดทํางานหรือท่าท้องสี่หยุดทํางานพร้อมกันเจ้าคะเอ <c oughs> ้าหยุดหายใจท่าลมมันก็ไม่ทํางานนียเมื่อท่าลมไม่ทํางาน ตอไปถ้าอย่างอื่นมันก็หยุดทํางานตามไปคําถามจากคุณสายชนค่ะเ อ, อขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของการถอนอธิษฐานด้วยครับอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเช่นอาทิตย์นี้ตั้งใจจะไปวัดเปลี่ยนใจก็ถอนอธิษฐานไปเท่านี้ไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจเ อ, อถ้าจองที่พากก็โทรไปแจ้งก็บอกว่าขอของดเ อ, อ ถ้าเขาจะยึดค่าค่าจองก็ต้องให้เขายึดไปคำถามจากคุณสามารถค่ะทำไมอริยมรรคมีองค์แปดจึงเริ่มต้นจากปัญญาก่อนแล้วค่อยตามด้วยสมาธิแล้วค่อยมาเป็นศีลครับก็บพระพุทธเจ้าอยากจะเริ่มต้นน้องนั่นหนิวไปถามพระพุทธเจ้าเลยมันที่ไหนก็เหมือนกันแหละมันจะเริ่มตรงศีลก็ได้เริ่มตรงสมาธิก็ได้เริ่มตรงปัญญาก็ได้ คำถามจากคุณอุทัยคะ่ะใส่บาตรกับพระที่มีสิ่งครั้งเดียวเยอะกว่าพระที่รักษาสิ่งไม่ครบเป็นร้อยครั้งจริงไหมคะมันถ้าใส่อย่างเดียวไม่ได้อะไรไม่ได้คุยกับพระมันก็เหมือนกันอะใส่กับพระหรือใส่กับคนที่คนธรรมดามันก็ได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ใจของเราว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพราะอยากจะให้เขามีความสุขให้ด้วยความเมตตา เราก็ได้เท่ากัน่ะจะให้กับพระที่มีศีลหรือพระที่ไม่มีศีลมัน ก, ไ ก, กนน็ไม่เกี่ยวกับเราเคนที่รับนี่มันไม่เกี่ยวกับเราเข้าใจไหมเวลาให้ส่วนสิ่งที่คนก็จะคนรับเขาจะให้อะไรเรานี่เกี่ยวถ้าเราไปให้กับพระที่ไม่มีศีลเขาก็จะพูดเรื่องที่ไม่มีศีลเนี่ยเราฟังถ้าเราไปพูดกับให้กับพระที่มีศีลเขาก็จะพูดเรื่องศีลเนี่ยเราฟัง มันนกก็จะเีี่ยวตรง้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับอินบ็อกซ์นะครับไม่ผ่านความเจ็บปวดสักทีเอาขาลงตลอดมีวิธีใดที่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดได้ครับตัดขาทิ้งไม่หรอกต้องพุทธโทพุทธโทเวลาเจ็บก็ให้บริกรรมไปพุทธโทก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้คือให้ใจเรามันไม่ไปคิดถึงความเจ็บ ใช้มันเวลาเรานั่งดูหนังในเวลาปวดฉี่แล้วยังนั่งดูได้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่ไปคิดถึงความปวดนะมันก็ดูไปเรื่อยๆอยนั้นเวลาเราเจ็บก็เหมือนกันเราก็หาอะไรทํำซะให้ใจมันมีอะไรดูให้มีอะไรมันให้มันทำํำให้มันสวดไปอย่าให้ไปสนใจความเจ็บแล้วความเจ็บนั้นจะไม่รุนแรงจะอยู่ความเจ็บนั้นได้คําถามจากคุณต้องค่ะ การที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาให้บิดามารดาที่ลงรับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เขาเหล่านั้นจะได้รับบุญกลับเราไหมคะแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ตอนที่พ่อแม่อยู่สิแผ่เมตตาคนตายแผ่ไม่ได้นอกจากเข้ามาหาเรานี่ถ้าก็ามาเยี่ยมเราก็คุดคุยเชื้อเชิญเขาถามสารทุกข์สุขดิบเหมือนกับเราเจอคนที่ไม่ตายนี่แหละไม่ใช่พอเข้ามากับไปเทิดไปเทิด อย่าอย่าอย่ามาหาหนูเลยหนูกลัวอย่างนี้ก็ไม่แผ่เมตตาลนะคำว่าแผ่เมตตาก็คือยินดีต้อนรับเวลคัมอยู่เอาเวลคัมใครมาหาก็ต้อนรับเขาถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงสบายดีหรือมีอะไรกินหรือเปล่าขาดเรืออะไรหรือเปล่าอย่นี้เรียกว่าแผ่เมตตาการแผ่เมตตามันจะต้องมีคนมารับความเมตตาของเราไม่ใช่นั่ง นั่งไหว้พระสวนมนต์เสร็จก็แพ้เป็นไปครอบจักรวาลเลยอย่างนี้ไม่ได้แพ้มันมันไม่ได้แพ้อะไรมันแพ้แต่ความคิดเฉยๆมันต้องแพ้ตอนที่เรากาลังโกรธใครเกลียดใครตอนนั้นนะต้องแพ้โกรธใครก็ให้อภัยเขาไปไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วเราก็แทนที่จะโกรธก็หายโกรธแทนที่จะเกลียดก็หายเกลียด อันนี้เรียกว่าแผ่เมตตามันต้องมีการกระทำที่ทำอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราถ้าแผ่ไปแล้วเฉยๆเหมือนเดิมก็ไม่ได้แผ่ถ้าใจเราแผ่แล้วมีความสุขมีความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขแบบเล่นๆคิดขึ้นมาเองสุขแบบประทับใจอย่างนี้ อ, อย่างนี้เช่นกำลังโกรธใครเกลียดใครอยู่แล้วมาแผ่ให้เขา ต่อไปนี้เราไม่โกรธคุณแล้วไม่เกลียดคุณแล้วให้อภัยคุณแล้วเราต้องทําอย่างจริงๆอย่างจังแล้วใจรู้สึกเบาเย็นสบายไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วอย่างนั้นถึงเรียกว่าแผลถึงแม้จะไม่แพลต่อหน้าเขาก็ได้คําถามจากคุณนราค่ะสัจจะ ก, กับอธิษฐานแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับอ๋อคนละอย่างไงสัจจะ ก, ก็คือความจริงใจอธิษฐานคือความตั้งใจ มันมักจะไปคู่กันเพราะบางทีเราตั้งใจแล้วเราไม่จริงใจหรือเราไม่ทำตามที่เราตั้งใจเช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดนี้พอถึงเวลาเราเปลี่ยนใจก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเราไม่เราไม่ทำตามที่เราตั้งใจไว้แต่ถ้าเรามีสัจจะเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรพอถึงเวลาทำเราก็ต้องทำงไดงว่ามีสัจจะ บางคนชอบหลอกตัวเองชอบปีใหม่ชอบตั้งตั้งตั้งตั้งใจครับปีนี้จะเป็นคนดีจะไม่กินเหล้าจะไม่เที่ยวจะไม่หงุดจะไม่งอนจะไม่อะไรก็ทำได้แค่สองวันสามวันเดี๋ยวพอใครมาแย่หน่อยก็งอนแล้วโกรธล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะก็ไร้ผลไร้ประโยชน์ พอถึงเวลาจริงๆแล้วทำไม่ได้เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ถ้าอยากจะตั้งใจจะทําทอะไรให้ได้นี่ต้องมีสัจจะถึงจะทําทได้ <Yeah. S 1> แล้วยังไม่พอยังต้องมีความขยันต้องมีความอดทนทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําทด้วย <Yeah. S 1> ถ้าขี้เกียจเดี๋ยวก็ไม่ได้ทําอีกตั้งใจจะมาวัด <Yeah. S 1> แล้วก็เตรียมตัวถึงเวลาจะออกวัดก็เตรียมตัวพอเอามานอกบ้านเจอฝนนะกลับบ้านดีกว่าเ <Yeah. Yeah. S 1> แสดงว่าไม่มีความ มุมาเนะไม่มีความอดทนก็ทำไม่ได้คาถามจากคุณมาเนทค่ะการที่เราเอาเงินของภรรยาโดยไม่บอกกล่าวเป็นการผิดศีลข้อสองไหมคบถ้าเป็นของภรรยามันก็ผิดนะแต่ถ้าเป็นของของเราเป็นของร่วมกันก็ไม่ผิดแล้วแต่ว่าเงินนั้นมันเป็นของใครกันแนะ่ ต้องแยกแยกให้ออกถ้าเข้าใจก็ว่าเป็นของร่วมกันก็เอาไปใช้มันก็เป็นของเราแล้วก็ไม่เลยไปขโมยใครแต่ถ้ามีการตกลงว่าถึงแม้จะเป็นของร่วมกันก็ต้องบอกกันก่อนอย่างนี้ก็ต้องบอกกันก่อนถ้าไม่บอกก็เสียสัจจะหรือโกหกแล้วแล้วก็ขโมยขโมยทรัพย์ของผู้อื่นไปเพราะมันยังเป็นของของเขาอยู่เครื่องหนึ่ง คำถามจากคุณรัดดาค่ะเจ้าการในเวรมีความหมายอย่างไรคะการแผ่เมตตาให้เจ้ากัรในเวรมีความหมายอย่างไรคนที่เราไปทำให้เขาโกรธเกลียดเราเนั่นแหละที่เขามาคอยจองเวรจองกรรมเราเนี่ยก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรลองลองไปด่าใครก็ดูเลยลองไปขโมลเงินใครก็ดูดูซิว่าเขาจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเปล่า เขาก็ต้องไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางล่ะอัง น, นั้นก็เจ้ากรรมนายเวรถ้าไม่อยากจะมีเจ้ากรรมนายเวรก็อย่าไปก่อกรรมก่อเวรอย่าไปทำบาปการทำบาปนี่แหละเป็นการสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาเพราะคนที่เขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราเขาก็ต้องมาจองล่างจองผานเราจองเวรจองกรรมกับเรา ไม่เหมือนหรอกคืออุทิศบุญนี่ก็บอกแล้วว่าบุญไงเมตตานี่มันไม่ใช่บุญนะบุญนี่เกิดจากการทำบุญเราต้องทำบุญเนี่ยวันนี้ใส่บาตตอนเช้าเรามีบุญแล้วเราก็แผ่เราก็อุทิศบุญนี้ให้กับคนที่ร่วงรับไปแล้วส่วนแผ่เมตตานี่เราไม่ต้องมีบุญเราเจอใครก็ยิ้มให้รันนะก็เป็นการแผ่เมตตา เม่ตาแปลว่าไมตรีจิตเนี่ยการมีไมตรีจิตมองทุกคนว่าเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเวลาพบปะกันก็ให้ความสุขต่อกันเรียกว่าแผ่เมตตาคําถามจากคุณนาราค่ะสภาวะของพมทโลกกับสภาวะนิพพานต่างกันอย่างไรวิธีเข้าพุทธโลกและวิธีเข้านิพพานทําอย่างไรคะ พรมโลกก็คือจิตที่สงบกิเลสตัณหาหยุดทำงานชั่วคราวส่วนนิพพานนี่เป็นจิตที่สงบที่ทำลายกิเลสตัณหาไปหมดแล้วไม่มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่ดังนั้นมันต่างกันตรงที่ว่าพรมโลกนี้พอสติอ่อนลงกิเลสตัณหามันก็จะดันออกดันจิตให้ออกมา ให้ไปหารูปทิพย์เสียงทิพย์ก็จะเลื่อนลงไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วพอมันแรงขึ้นก็จะเลื่อนลงไปสู่ชั้นมนุษย์เพื่อไปเสพรูปเสียงกิิ่นรสทางตาหูจมูกริ้นกายอีกทอดนึ <Yeah. S 1> ่งดงนั้นการไปพรมโลกก็คือการนั่งสมาธิใช้สติพุทโธพุทโธกดกดความอยากไว้กดความคิดไว้แต่ไม่ตายถ้าอยากจะไปนิพพานต้องใช้ปัญญา ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสว่าวิธีทําให้กิเลสตายก็คือไม่ทําตามกิเลสเวลาโลภ ก, ก็ไม่โลภต่เวลาโกรธก็ไม่โกรธตามเวลาอยากได้อะไรก็ไม่เอาถ้าอย่างนี้ต่อไปความโลภความโกรธมันก็จะหมดไปก็จะเป็นนิปานขึ้นมาคําถามจากคุณทิมพรค่ะถ้าเราใส่บาตตอนเช้าให้แดดร้อนสูง ถามว่าจําเป็นต้องมีน้ําไหมคะไม่ต้องจาไม่จําเป็นอ่ะหมายถึงให้ใส่บาตให้ผ้ากินอนะ่ะก็แล้วแต่ว่ า, วาก็แล้วแต่ว่าพาท่านฮิ้วไปไหวหรือเปล่าก็ดูบางทีให้มากขวดหนึ่งก็ตายแล้วสองคนสองขวดก็เอาไปไม่ไหวแนละ้วน้ําไม่ต้องหรอกเพราะที่วัดท่านก็คงจะหาได้เอาของที่ท่านหาไม่ได้ดีกว่าเช่นกับข้าวกับปลาอาหารอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องน้ํานี่ท่าน อยู่ที่วัดท่านมีอยู่สมัยก่อนไม่มีน้ำขวดก็มีน้ำผลมีอะไรสมัยนี้ก็ท่านก็มีคนไปที่วัดเอาน้ำไปให้ยันอย่าเอาของหนักๆไป ใ, ให้ท่านบินสบาดเลยถ้าท่านไปคนเดียวนี่สงสารท่านถ้าญาติโยมถวายน้ำคนละสักสองสามขวดนี่ท่านก็ไม่รู้จนะนะบางทีบางทีท่านก็ต้องวางไว้ข้างถนนนึงะ บางทีท่านรับมาแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปวางไว้ข้างถนนเนี่ยเพื่อใครหิวน้ำก็เขาเขาก็หยิบไปคำถามจากคุณต้องค่ะโยมไปโยมไปปฏิบัติที่วัดทำไมวันแรกเวลานั่งสมาธิโยมรู้สึกรู้สึกว่ามีคนเดินวนอยู่รอบรอบตัวแต่พอกำหนดรู้แล้วกลับมากำหนดลมหายใจและไม่สนใจเขาก็หายไปเขามาขอส่วนบุญใช่ไหมคะมพอเราจะ อออกจากสมาธิก็แผ่และกวดน้ำก็ไม่มาอีกเลยหรือยมคิดตัเองคะอ่าเราคิดไปเองใหม่ๆไปที่แปลกที่มันก็มันก็ปรุงแต่งไปพอเราควบคุมจิตด้วยสติแม่มันคิดปรุงแต่งจิตสงบมันก็หายไปคำถามจากคุณรองประหยัดค่ะผมผมไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิมานานพอเริ่มนั่งภาวนาพุทโธได้สามสิบนาทีเหงื่อออกท่วมตัว เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไรครับเ อ, อ่ามันเป็นธรรมดานั่งเฉยๆมันก็ <c oughs> ไม่นั่งสมาธิเงือก็ยังออกได้นี่ถ้านั่งมันยิ่งออกมากเพราะมันเกิดอารมณ์เครียดขึ้นมาเพราะกิเลสมันอยากจะลุกมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดความเครียดนี่ยก็เลยอาจจะไปทําให้เหงือแตกมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะเหงือไม่แตก ถามจากคุณนราค่ะพระโพธิสัตว์สอนให้บรรลุพระอริยะได้ไหมครับเพราะเหตุใดครับพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุเลยไปสอนคนอื่นให้บรรลุได้ยังไงพระพุทพระโพธิสัตว์คือผู้แสวงหาพระห า, หาการการเป็นพระอริยะอยู่ยังต้องเป็นพระอริยะถึงสอนให้เป็นพระอริยะได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงจะสอนให้คนอื่นเป็นพระอริยะได้พระ โพธิสัต์ก็ยังเป็นปู่ตุชนเหมือนพวกเราอยู่นี่เพียงแต่ว่าเราเรียกโพธิสัตย์เพราะว่าท่านมีความอยากไปพันิพฌานท่านก็เลยบำเพ็ญบารมีสิบประการเช่นทานบารมีศีนบารมีเน่ข่ำบารมีไปคำถามจากคุณวูดดี้ค่ะทาทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นจิตเป็นอนัตตาไหมครับก็ถามตัวเองดูสิมาถามเราทำไม คำถามจากคุณกุ๊กไก่ค่ะช่วยชีย้แนะนำแนวทางการปฏิบัติการถือสี่แปดสำหรับคนที่มีครอบครัวและต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเจ้าค่ะก็อย่าไปถือมันเลยถ้ามันถือไม่ได้ก็อย่าไปถือไม่ต้องแนะนำเลยก็มันก็รู้อยู่แล้วแปดข้อมีอะไรบ้างถือได้ก็ถือถือไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปถือคำถามจากคุณสิริค่ะรูปหยาบ ก, กับรูปรูปละเอียดคืออะไรคะ ไมม่รู้เหือนนกันคําถามจากคุณอนงนุช <c oughs> เคยมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วม ง, งานพอหลายปีผ่านไปเจอเขามีความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกันถือว่าเราแผ่เมตตาให้เขาไหมคะเราก็ต้องอทําให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาถึงจะเยกว่แผ่เมตตาถ้าเราเฉยๆก็เรียกว่าเราแผ่อุเบกขา เราต้องเฮ้ยไปยินข้าวกันไหมวะวันนี้เลี้ยงนี่เรียกว่าแผ่เมตตาแต่ถ้าเจอแล้วใจเฉยๆไม่ไม่ยินดียินร้านนี่เรียกว่าโอเบคาถ้าอยากจะแผ่เมตตาบอกให้ไม่ได้เจอกันท่านานแล้วไปเดี๋ยวไปกินอะไรกันท่านหน่อยวันนี้จะเลี้ยงนี่แหละแผ่เมตตาแนละ้วคำถามจากคุณสุพนัสค่ะทําอย่างไร ถึงจะรู้จริตของตนเองในการปฏิบัติกรรมฐานสี่สิบครับก็ดูสิว่าเราชอบโกรธหรือไม่ชอบโกรธโกรธมากหรือกดน้อยถ้าโกรธบ่อยก็โทสะจริตเราชอบกามหรือไม่ชอบเซ็กซ์หรือไม่ถ้าชอบเซ็กซ์ก็เรียกลาคาจริตถ้าเราเชื่อชอบเชื่อคนง่ายๆใครพูดอะไรก็เชื่อก็วพศรัทธาจริต พวกที่ชอบของจริงก็พุทธิจริตชอบของจริงชอบดูศพดูคนตายู้ตับตายไสพุงอะไรเงี้ยให้เรียกว่าเป็นพวกพุทธิจริตชอบของจริงชอบดูของจริงคำถามจากคุณทีเซิร์ค่ะการที่บุคคลคนหนึ่งได้บวชและอยู่ในบรวรพระพุทธศา ส, สนาได้ตลอดชีวิต ถือได้ว่ามีบุญมาแต่ชาติปางก่อนไหมครับไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่สำคัญอะไรสำคัญว่าได้บวญหรือไม่ได้บวญนี่มากกว่าคำถามจากคุณนันทนาค่ะกรรมทางกายวาจาใจกรรมไหนส่งผลหนักที่สุดคะเพราะอะไรอ๋อมันต้องทาร่วมกันกรรมทางกายทางวาจานี้ต้องมี กรรมทางกายทางวาจานี้ต้องมีกรรมทางใจเป็นผู้เริ่มก่อนเช่นคิดจะทําบุญถ้าคิดแล้วยังไม่ทําก็ยังไม่ได้บุญคิดจะทําบาปแล้วยังไม่ทําก็ไม่ได้บาปคิดแล้วพอไปทําพอไปโกหกปั๊บนี่ก็บาปแล้วพอไปรักทรัพย์แล้วก็บาปแล้วดังนั้นมันต้องมีการร่วมกันการไหนหนักที่สุดก็เนี่ยไล่ไปข้อหนึ่งเนี่ยหนั ก, ห น, กหนักกว่าข้อสอง การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันหนักกว่าการลักทรัพย์การลักทรัพย์มันก็หนักกว่าการประพฤติผิดปรเวณีการประพฤติผิดประเวณีมันก็หนักกว่าการโกหกการโกหกมันก็หนักกว่าการดื่มชาลายาเมาใช่ไหมลองเปรียบเทียบดูจฎหมายก็ยังมีลักทรัพย์กับฆ่าคนนี้ติดคุกกันไหนนานกว่ากันออใช่ไหมไปยุ่งกับลูก ลูกชาวบ้านเขาไปข่มขืนชำเราเขามันก็อาจจะอาจจะน้อยลงนหรือว่าถ้าถ้าไม่มีถ้าไปถ้าบางทีไม่มผิดกฎหมายก็มีถ้าไปถ้าไปมีชู้นี้ด ก, ดก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมโกหกก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายโกหกมันต้องมีความเสียหายมีการฟ้องร้องกันอย่างเย อถ้าโกหกแบบไม่มีค่าเสียหายเขาก็ไม่อย่างนักการเมืองนี่โกหกตลอดเวลานผมจะทําอย่างนี้นผมจะทําอย่างนี้ในโกหกก็ือ่าแล้วกินเล้ามันก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเแต่เมาแล้วบางทีมันหักข้ามใจไม่ได้มือนก็จะทําให้ง่ายต่อการทํำบาปแต่ถ้ากินแล้วนอนเนี้่ก็ไม่มีปัญหาเลย ก็เบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองก็อะไรไม่ได้ไปทำอะไรที่มีประโยชน์คำถามจากคุณลิซ่าค่ะพิจารณาว่าตนเองไม่มีกำลังพอที่จะทำความสงบความสงบ จึงหยุดความคิดความฟุ้งซ่านได้ด้วยการพิจารณาอาการ32แต่ก็ยังรู้สึกว่าต้องคิดอยู่ดีเพื่อรับรู้ถึงอาการ32หากเราหมั่นพิจารณาไปเรื่อยๆวันหนึ่งการพิจารณานี้จะนําไปสู่ความสงบได้หรือไม่คะมันก็สงบในระดับหนึ่งพอมันสงบจนถึงที่เราเพ่งได้เราก็ต้องเพ่งต่อเพ่งอาการใดอาการหนึ่งใน32นี้ก็ได้เช่นเพ่งกระดูกเนี่ยโครงกระดูกเอาอยู่ให้อยู่ ให้อยู่กับอาการเดียวมันถึงจะรวมได้มันถึงจะสงบได้คําถามจากคุณจุมพจน์ค่ะมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรครับก็แล้วแต่ละคนบางคนเกิดมาเพื่อร่ําเพื่อรวยเพื่อเป็นใหญ่เป็นโตบางคนเกิดมาเพื่อมาบวชก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการอะไรคําถามจากคุณอโนนุสค่ะถ้าเรา ถือศีลแปดแต่ยังทานข้าเย็นเนื่องจากมีปัญหาโรกกระเพาะแบบนี้ถือว่าผ่าสศีลไหมคะก็ถือว่าถือแค่ศีลเจ็ดเท่านั้นเองไม่ได้ถือถือไม่ครบแต่การไม่ได้การการไม่ได้รักษาศีลข้อหกนี้มันไม่ถือว่าบาปเพราะบาปมันอยู่แค่ศีลห้าศีลศีลห้าข้อคือการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดปะเวณีโกหกศีลข้อห้าก็ไม่บาปแล้ว ตั้งแต่ห้าถึงแปดนี่ไม่บาปถ้าไม่ได้รักษาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บุญเพราะว่าเราจะไม่ได้เอาเวลาไปทำประโยชน์ไปภาวนาถ้ากินเหล้ามันก็เมาก็นั่งสมาธิไม่ได้ถ้ากินข้าวเย็นก็ง่วงถ้าไปดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิถ้าไป น, นอนมันกม็มันก็มานั่งสมาธิไม่ได้แต่มันไม่บาปมันเพียงแต่ว่าทาให้เราไม่สามารถ สร้างบุญที่สูงกว่าได้คือการภาวนาวเออหมดแล้วก็พักกันหน่อยวันนี้ยาวเลยไม่มีพักเลยช่วโงกว่ามีใครอยากจะพูดอะไรั้มพูดได้นะ <c oughs> เราถามก็ได้มาทำไมมาแล้วได้อะไรบ้างเ อ, อเราเล่เาให้ฟังห น, น่ยอยเ <laughs> นั่งกันเฉยมาเรากำไรและขาดทุนพูดมาเลย เ, ออเสียเวลาหรือเปล่ามาฟังคนเมาพูดหรือเปล่าอาจารย์ครัมีคำถามเพิ่มค่ะมาว่ามาเลย คำถามจากคุณอูค่ะขอพระอาจารย์อธิบายโยโ ย, โยนิสโสมสิกานค่ะก็ไปเปิดดูคำศัพท์แล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอเออก็ไปดูเขียนไปใน Google มันก็ออกมาโยนิสโสนนะะมาเราพูดไปก็เดาเราไ ม, ไม่ไม่แม่นพูดอย่างเงี้ยคือเราเพราะเราไม่ค่อยได้ศึกษาภาษาบาลีศึกษาแต่ภาษาไทยอะไรคำถาม คุณสุพนักค่ะถึงพระนิพพานแล้วดับขันจะหมดกรรมกับเจ้ากรรมเวรหรือเปล่าครับไม่ได้ดับขันดับขันก็ตั้งตอนที่ร่างกายตายนั่นแหะเวลาถึงนิพพานนี่มันยังไม่ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่อายุ35ไปตายเมื่ออายุ80ก็ยังต้องรับกรรมต่อมีเทวทัตมาจองเวรจองกรรมต่อแต่พอตายไปแล้วไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครเป็ อจองเวรจองกรรมได้อีกต่อไปนะยั้นถ้าอยากจะพ้นจากเวรกรรมก็ต้องไม่กลรมมาเกิดเท่านั้นถ้ายังกลรมมาเกิดอยู่เวรกรรมเก่าที่ยังมีอยู่มันก็จะมาจองเวรจองกรรมเราต่อไปคําถามจากคุณอาลีค่ะโสดาบันหมายความว่ายอย่างไรคะผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้กับ ผ, ผู้ขึ้น คู่ซี่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าขึ้นทางด่วนแล้วไม่หลงทางแล้วทางด่วนมันจะพาเราไปตรงที่เราต้องการไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนอยู่ทางข้างล่างเดี๋ยวเลี้ยวผิดเลี้วถูกไปซ้ายไปขวามันก็จะไปไม่ถึงทางเดี๋ยวก็จะวนอยู่แถววงเวียนอนันุู้นเสาบริแต่ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วไปเลยขึ้นทางด่วนไปมึงชนปุ๊บวิ่งไปปั๊บเดี๋ยวเดียวก็ถึงละ อย่างาโสดาแปลว่ากระแสกระแสของพระนิพพานถ้าใครได้เข้าสู่กระแสนี้แล้วจะต้องถึงนิพพานแน่นอนอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติอยู่ที่ว่าขับเร็วหรือขับชา้าเหมือนขึ้นทางด่วนเนี่ยพอ<ม>ขึ้นทาง ด, วด่วนแล้วเนี่ยจะไปถึงเมืองชนนี่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะขับเร็วขับชา้าเกิดไม่เจครั้งหรอคะเจชาติเกิดไม่เกินเจ็ดชาติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก แต่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดเลยก็ได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติต่อไปในชาตินี้เดี๋ยวก็ไปถึงแหละแต่บางทีรดมันเสียก็ได้พิการหรือว่าตายไปก่อ น, นอก็ต้องกลับมาเกิดมาทําต่อเพราะยังไงก็ต้องใช้กายนี้ในการปฏิบัติจุดนั้นเพราะมันยังมีความอยากจะใช้กายหาความสุขเอมันยังติดอยู่กับการมี ม, มีสามีมีภรรยาอยู่ยังอยากมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนอื่นอยู่แต่ถ้าไปถึงขั้นที่สามผอานนาคามีแล้วก็ตัดความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับคนอื่นได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยีกแต่ยังยังมีความอยากในสมาธิอยู่ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรมอยู่ยังติดความสุขของสมาธิอยู่แต่ผ่าอรหันนี้ตัดความติดในความสุข ของสมาธิได้ mm. ก็เลยไม่ต้องกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปคําถามจากคุณชิตพัฒค่ะช่วยแม่ตาการนั่งสมาธิด้วยค่ะตอนนี้สนใจอยากภาวนามากค่ะทําแบบไหนจึงจะสงบคะก่อนจะนั่งต้องมีสติก่อนต้องฝึกพุโทโธก่อนท่องพุโทโธไปทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปไม่ว่าทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอะไร ถ้าจะคิดก็หยุดพุทโธได้ชั่วคราวถ้าคิดเรื่องจำเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องคิดก็คิดได้แต่ถ้าจะคิดเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันก็อยากคิดให้คิดพุทโธพุทโธไปแล้วพอเวลาว่างก็นั่งหลับตาถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็ดีขวาขวาขวาทับซ้ายมือขวาก็ทับมือซ้ายดูแบบพระพุทธรูปอย่างเงี้ยแล้วนั่งตั้งตัวให้ตรง แต่ไม่ต้องเกรงนั่งให้แบบสบายสบายแต่อย่าให้มันงออย่าให้มันเอ็นไปซ้ายหรือขวาให้มันอยู่ตรงกลางแล้วพอเวลานั่งแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องท่านั่งถ้ารู้สึกมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาหรืองอไม่งอก็ไม่ต้องไปกังวลพอนั่งแล้วให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบ เป็สมาธิขึ้นมามีอะไรมาลบมีอะไรมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีผ้ามาให้เห็นมีเสียงมาให้ได้ยินหรือมีอะไรต่างๆมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจคันตรงนั้นคันตรงนี้แน่นหน้าอกแน่นหน้าผากหรือคืนน้ําลายไม่ต้องไปสนใจอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าไปสนใจกับอาการต่างๆมันก็เดี๋ยวก็นั่งไม่ได้ต้องให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียว จึงต้องฝึกพุโทโธก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่ฝึกพุโทโธเดี๋ยวพอมีอะไรมาหน่อยมันก็ไปลลแล้วลืมพุทโธละเดี๋ยวอยากจะคืนน้ำลายก็คอยแต่คอยคืนน้าลายอยู่เลยเดี๋ยวคันก็อยากจะเกามันก็เลยจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพรนั้นต้องฝึกพุทโธก่อนที่จะมานั่งจะดีกว่าถ้ายังไม่มีพุโทโธเดี๋ยวนั่งแล้วมันไม่ไมีมันมันมันมนั่งไม่ได้เดี๋ยวอะไรมานิดมาหน่อยมันก็เสียสมาธิล้ะ คำถามจากคุณกหนกค่ะบางครั้งนั่งภาวนาพอจิตเริ่มสงบมีความรู้สึกว่ากายโยกไปโยกมาและบางครั้งก็รู้สึกหมุนคืออะไรเจ้าคะและรู้สึกว่าลมไหลเข้าไหลออกเองค่ะอะ่คือมันคือกําลังหลับไง ม, มันไม่ใช่สงบแบบสมาธิม่สงบแบบไม่มีสติสงบแบบเคลิ้มอ่ะพอเคลิ้มมันก็ไปเลยอ่อยานีอา้อย่าไปสนใจ ลุกเรียกปลุกสติกลับขึ้นมาใหม่เรีบกลับมาพุโทโธใหม่อย่าไปนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่พุโทโธพุโทโธนี่มันจะไม่มันจะไม่เคลิ้มมันจะลูกเสร็จตัวตลอดเวลาแล้วอาการต่างๆจะไม่มีคำถามจากคุณลุกค่ะเวลาตอบตอบกลับคอมเมนต์ต่างๆในเฟ e b o o k เห็นข้อความหยาบคายด่าทอกัน หรือว่าผิดศีลข้อมูลสาใหม่คะก็เรื่องของเขาเราอย่าไปทำก็แล้วกันใครก็จะด่ากันใครก็จะว่ากันมันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปใช้คำพฤุสว่าเนี่ยเราอย่าไปพูดโกหกกันอย่าไปด่ากันคำถามจากคุณนารยาค่ะหลายครั้งที่อยู่ๆพอเห็นสิ่งต่างๆอยู่ดีๆภายในใจมันคิดอัตโนมัติค่ะ ว่าต้นเหตุของสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และคลิด ต, ต, ต่อไปเรื่อยๆแต่จะทำอย่างไรดีคะคือคิดไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายว่ามันดับยังไงคะ่ะก็อย่าไปสนใจมันให้พุโทโธพุโทโธไปคำถามต่อไปจาก Inbox ครับจากคุลจิราเบชครับการฝึกสมาธิทำสมาธิจิตนิ่งให้เปรียบเหมือนแนให้เปรียบสเสมือนแผ่นดิน ตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้นั้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ง่ายและให้ผลในการฝึกปฏิบัติที่ดีใหมครับลองทำดูสิถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้สิปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองคำถามจากคุณวีระพง์ค่ะสังโยสามอย่างยากไหมครับสังโยสามก็คือ วิจิสีลภัตตปรามาวิจิกิจฉ า, าสกายาทิฏฐิยากไม่ยากก็อยู่ที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิมันก็ยากถ้ามีสมาธิมีปัญญามันก็ง่ายยั่งต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็จะง่ายคำถามจากคุณสุพนัทค่ะทำอย่างไรครับถ้าชาตินี้ยังไม่มนิพพาน แล้วชาติต่อไปถึงจะได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาครับเ อ, อ้าอนาคตไม่มีใครไปกําหนดได้ว่าจะมาเจอกันหรือไม่ขนาดเราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงไปเจอรถซ้ายขวาเนี่ยเรายังไปกําหนดว่าจะมาเจอกันคราวหน้าที่เดียวกันได้หรือเปล่าฮะได้ไหมไม่ได้แล้ว ไ, ไ, ไปเกิดชาติหน้าจะไปเจอพระพุทธศาสนาเจอนน่นเจอนี่มันเราไปกําหนดได้หรือเปล่า งั้เราอย่าไปหวางอนาคตเลยในเมื่อเรามีปัจจุบันอยู่ดีดแล้วทําไมไม่รีบช่วยโอกาสถ้าเราปฏิบัติจริงๆมันได้ทุกคนอ่ะเหมือนเด็กที่ถ้าส่งมันเข้าไปโรงเรียนมันก็เรียนจบเองอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ส่งมันไปเรียนมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เรียนมันก็ไม่จบเราพวกเรามันพวกไม่ชอบเข้าห้องเรียนกันชอบไปเล่นกันแล้วก็บังกังว่าเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาจะจะมีโรงเรียนสอนหรือเปล่า กรรมว่าจะโรงเรียนมันก็ไม่เรียนอีกอ่ะเพราะถ้าชานี้มันไม่เรียนชาติหน้ามันก็ไม่เรียนอยู่แล้วการใดว่ามันจะติดเป็นนิสัยไปอย่นตอนนี้มีโรงเรียนรีบเข้าเรียนซ ะ, ะรีบเข้าวัดซะรีบปฏิบัติกันซะยังชอบไปเที่ยวตามศูนย์การค้ายังชอบไปอะไรตามที่ต่างๆองมันเริ่มจะมากังวลเรื่องอนาคตคำถามจากคุณชุมพรค่ะ วิปัสนาแบบง่ายๆทําอย่างไรครับก็เห็นว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท้องไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ก็บรรลุแล้วทาถามจากคุณอารีค่ะเวลาบวชชีตอนใส่บาตรหรือนั่งโดนมือผู้ชายผิดศีลจะต้องทําอย่างไรครับก็อย่าทําต่อไปสิตั้งบวชแล้วบวชแล้ว่ะ ดีเหมือนกันพอแล้วมื่อวันนี้ยาวเลยไม่ให้ต่อแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวพัก <laughs> เดี๋ยวมาอีก <laughs> เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ